เมื่อนอนตื่นลืมตามีสติแล้วพึงคิดใช้ชีวิตด้วยเหตุผลใช้ปัญญาหาสิ่งดีมาใส่ตนจะเป็นคนพ้นลำบากมียากเลยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทรกรนชอบเล่าเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้ผมอยากจะข อ, อนำเสนอเกี่ยวกับพญานาคกับพุทธศาสนาครับเพื่อจะเป็นข้อมูลสำหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่เคยฟังไม่เคยรู้ หามาเล่าให้พอเป็นสังเขปนะครับลองฟังกันดูครับเมื่อสมัยที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงบำเพ็ญทุกกรริยาด้วยความเพียรนั้นจนจนพระองค์ได้รู้แล้วว่าไม่เกิดประโยชน์ใดๆในการจะทำให้ตัดสรู้ได้พระองค์จึงตัดสินพระทัยเลิกกระทำทุกกรริยาและต่อมาเมื่อนางสุชาดาได้นาข้าวมัุปายาตไปถวายพระองค์จึงรับไว้ หลังจากสวยหมดแล้วจากนั้นได้ทรงนำถาดทองอันเป็นภาชนะที่นางสุชาดาได้ใส่อาหารนำมาถวายไปลอยในแม่น้ำเนลันชราพร้อมกับได้อธิษฐานจิตว่าหากสิ่งที่พระองค์ทรงคิดถูกก็ขอให้ถาดทองจงลอยทวนกระแสน้ำไปหลังจากพระองค์ทรงปล่อยถาดทองลงน้ำไปถาดทองไปนั้นก็ค่อยๆลอยทวนน้ำไปลอยไประยะทางประมาณ8ปอก พอดีกับน้ำบริเวณนั้นเป็นน้ำบนถาดทองจึงจมลงไปและบริเวณน้ำบนนี้แท้จริงนั้นคือที่อยู่แห่งพยาการและนัคาราชพยาการและนัคราชนี้มีอีกนามหนึ่งว่าพยาการและพุชกินเป็นพยาน้าที่มีอายุมากและกำลังหลับอยู่จะลืมตาตื่นก็ต่เมื่อได้ยินเสียงของถาดทองที่พระพุทธเจ้าแต่และพระองค์เคยลอยลงน้าและจมลงมากระทบกัน ซึ่งก็มีอยู่สามถาดทองอยู่แล้วอันถาดที่1เป็นของพระพุทธกัตกูสันทะถาดที่2เป็นของพระพุทธโกนาคมถาดที่สเป็นของพระพุทธกัสปะแสดงใหเห็นว่าพญาการนาคาราชนั้นได้พบกับพระพุทธเจ้ามาแล้วถึงสพระองค์และเวลานี้ก็กำลังจะต้องตื่นขึ้นอีกหนึ่งครั้งเพื่อจะได้พบกับพระพุทธเจ้า องที่ 4. นั่นก็คือสมเด็จองค์สมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองและต่อเมื่อได้พบแล้วก็จะมีอายุยืนต่อไปจนถึงยุคสมัยขององพระศรีอริยะเมตรัยแสดงว่าเวลานี้พญาการณ์นคราชนั้นก็กำลังหลับอยู่นอกจากพญาการณ์นคราชแล้วก็ยังมีพญานาคสำคัญอีกตนหนึ่งมีนามว่าพระยามุจลิทนทนาคราช บังเกิดและอาศัยอยู่ณสระบัวซึ่งอยู่ใกล้ๆกับต้นจิกสถานที่ประทรับขององค์พระพุทธเจ้าครั้งนั้นหลังจากพระพุทธเจ้าทรงประทรับณนะภายใต้ต้นไทรครบเจวันแล้วก็ได้เสด็จไปประทรับณ ใ, ใต้ร่มไม้จิกอีก7วันในระหว่างที่ประทรับอยู่นั้นมีเมฆคลืมและมีฝนตกตลอดทั้ง7วันพญามุจลินทนาคาราชจึงอยากทราบสาเหตุความแปรปรวนของเมฆฝนลมฟ้าจึงได้ขึ้นมาจักสระ เมื่อขึ้นมาแล้วก็แลเห็นบุรุษหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นจิกมีลักษณะงามเปล่งปลังก็นึกในใจว่าท่านผู้นี้มีสิริวิราชเลิศชะลอยจะเป็นเทพพยายดาพิเศษประดับด้วยชัพัพันดังสีชับพัพันดังสีหมายถึงรัศมีหประการอันได้แก่ 1. นีนสีเขียวเหมือนดอกอัญชัน 2. ปีด สีเหลืองเหมือนหรดานทอง 3. โลหิตสีแดงเหมือนตะวันอ่อน 4. โอทาสสีขาวเหมือนแผ่นเงิน 5. มันเชิดสีหงสบาทสีเหมือนดอกเซ้งหรืองอนไก่ 6. ประพัดศ้อนสีเลื่อมพลายเหมือนแก้วผลึกสัพพันธ์ดังสีที่ว่านี้น้อยคนนักที่จะได้เห็น เมื่อพญามุจรินท์่านาคราชได้เห็นแล้วก็รู้ได้ทันทีว่าบุุษผู้นี้จักต้องเป็นพระพุทธเจ้าสเสด็จมาตรัสรู้นันนิวาสถานแห่งตนเป็นแน่แท้นับเป็นพระมหากรุณาเป็นมหาบุญลาบผลอันยิ่งใหญ่สมคุณที่ตนจะต้องช่วยปกป้องมิให้พระองค์ต้องถูกลมฝนหรือพาอานตรายใดเมื่อคิดได้เช่นนั้นแล้วจึงได้นากายเข้าไปขนดูขดภายใต้พระองค์เจ็ดรอบ แล้วแวดล้อมองค์พระศาสดาพร้อมกับแผ่พังผานอันใหญ่ขึ้นเพื่อปกป้องจากเบื้องบนและให้พ้นจากอากาศที่ร้อนและเย็นจากแดดลมและฝนอีกทั้งยังช่วยปัดเป่าทั้งยุงและสัตว์มีพิษต่างๆมีให้มาสัมผัสถึงพระวรกายเมื่อผ่านไปเจ็ดวันแล้วฝนจึงได้หยุดตกพญามุจลินทานะคราชจึงค่อยๆ ค, ค, คลี่คลายขนดกายออก จากนั้นจึงแปลงกายเป็นมนุษย์น้อมกายถวายอัญชลีต่อพระพักสมเด็จพระสัพพัญยูและจากาเหตุการณ์ตอนนั้นนั่นเองเป็นเหตุให้เกิดพระพุทธรูปปางนาคปกที่มีความนิยมทําพิมพรูปพญานาคมีเจ็ดเศียรและอีกตอนหนึ่งณแม่น้ำเ น, ำเนรัญชราเวลานั้นมีนักบวชสามคนพี่น้องได้มาปลูกอาสมเพื่อปฏิบัติธรรมเรียงรายอยู่ริมแม่น้าสายนี้ โดยคนที่เป็นพี่มีนามว่าอุรุเวลกัสปะคนที่สองมีนามว่านาทีกัสปะและคนที่สามีนามว่าขยากัสปะการนั้นหลังจากพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็ได้เสด็จไปยังอาสมของอุรุเวลกัสปะและได้ทรงตรัสขออนุญาตว่าดูกอนกัสปะ หากเป็นการไม่ละบากใจท่านแล้วตถาคตจะขออาศัยอยู่ในโรงเพลิงของท่านสักคืนหนึง่งเมื่ออุรุเวลกัสปะได้ยินเช่นนั้นแล้วจึงกล่าวว่าดูก่อนสมณะเราไม่ได้หนักใจที่ท่านจะอยู่แต่เราหนักใจว่าด้วยมีพญานาคตนหนึ่งมีพิษร้ายกาจยิ่งนักมาอาศัยอยู่ในโรงเพลิงของเราเราเกรงว่าท่านจะได้รับอันตรายจากพญานาคที่จะทาร้ายเอาได้ พระองค์จึงตรัสว่าพญานาคไม่บิดเบียนตถาคตรอกขอท่านจงอนุญาตให้ตถาคตได้อาศัยในโรงเพลิงสักหนึ่งคืนเถิดเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสดังนั้นอุรุเวละกัสปะจึงได้ตอบอนุญาตว่าดูกอนสมณะท่านจงอยู่โดยปกติสุขเถิดเมื่อพระพุทธเจ้าทรงได้รับอนุญาตเช่นนั้นแล้วก็เสด็จเข้าไปในโรงเพลิงนั้น แล้วลาดปูซึ่งสันทัดก็คือผ้ารองนั่งนั่นเองจากนั้นก็ทรงนั่งประทับขัดสมาธิตั้งพวรกายให้ตรงทรงดำรงพระสติปฏิบัติพระกรรมฐานภาวนาและเมื่อพระยาณ่าเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาประทับที่นั่นก็ให้มีจิตคิดไม่พอใจอย่างยิ่งจึงได้พ้นพิษเป็นควันตลบไปทั่วโรงเพลิงนั้นแต่ด้วยพระบารามี ขพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงบันดาลให้ควันนั้นหายไปหมดสิน้นทําให้พระยาณาโกรธมากจึงได้พ่นพิษเป็นเพลิงไฟพุ่งโพรงขึ้นองค์พระพุทธเจ้าก็ทรงบันดาลให้เกิดเพลิงไฟออกไปปะทะทําให้เกิดแสงสว่างโชดช่วงเรากับจะเาผาผลาญโรงเพลิงนั้นให้วอดวายเหล่าบรรดาเชดินกูลทั้งหลายเมื่อเห็นเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นก็พากันมามุงล้อมรอบอยู่โรงเพลิงแล้วพากันพูดว่า ดูก่อนชาวเราพระมหาสมณะองค์นี้มีสิริรูปอันงดงามยิ่งนักแต่น่าเสียดายนักที่จะต้องประจบชีวิตด้วยพิษแห่งพญานาคในครั้งนี้แต่เหตุการณ์หาได้เป็นอย่างนั้นไม่เพราะพอรุ่งเชา้าพระพุทธเจ้าก็เสด็จออกมาจากโรงเพลิงนั้นพร้อมกับพญานาคที่สิน้นฤทธิ์ทรงบันดาลให้พญานาคขดขนดกายลงไปอยู่ในบาศได้สาเร็จนี่ก็คืออีกเหตุการณ์หนึ่ง เกี่ยวกับพญานาคที่ลองริดกับองค์สมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะมีเรื่องที่บันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงพญานาคครั้งเมื่อแปลงกายเป็นมนุษย์มาขอบวชครับซึ่งเรื่องก็มีอยู่ว่ามีนาคตนหนึ่งรู้สึกอึดอัดระอาเลียดชาติกำเนิดของตนเองก็คือไม่อยากเป็นพญานาคหรอกครับจึงเฝ้าคิดหาทางจะพ้นจากการกำเนิดเป็นนาคและได้ไปเกิดมีอัตภาพเป็นมนุษย์ในเวลาอันรวดเร็ว และจึงคิดต่อไปว่าพระสมณะเชื้อสายศักกายบุตรเหล่านี้แลเป็นผู้ประพฤติ ธ, ธรรมประพฤติสงบประพฤติพรหมจรรย์กล่าวแต่คำสัตย์มีศีลมีกัลยาณธรรมหากตัวเหานี้จะพึงได้บวชในสำนักพระสมณะเชื้อสายพระสักกายบุตรและโดวยวิธีการบวชนี้เราจึงจะสามารถหลุดพ้นจากการกําเนิดของหน้า และได้อัตภาพความเป็นมนุษย์ในเรวพรันุ์เป็นแน่แท้คิดได้แล้วนาคนั้นจริงแปลงกายเป็นชายหนุ่มและเข้าไปหาพิสุทั้งหลายเพื่อขอบรรพชาพิสุทั้งหลายจริงให้เขาเข้าบันระชาอุปสมบทต่อมาพระนาคก็อาศัยอยู่ในวิหารสุดเขตกับพิสุรูปหนึ่งและมีอยู่คืนหนึ่งพิสุรูปนั้นตื่นนอนขึ้นและออกไปเดินจงกรมอยู่ในที่แจ้งก็ให้พระนาคนั้นรู้สึกวางใจ นอนหลับสนิทลงนั่นเองเมื่อพระนาคหลับสนิทวิสัยของนาคนั้นก็คือเมื่อหลับสนิทก็จะกลับคืนสู่ร่างเดิมจึงปรากฏเป็นพญานาคตัวใหญ่นอนขดอยู่บนวิหารนั้นต่อมาพิสุกรูปนั้นกลับมาเมื่อผลักบานประตูเข้าวิหารก็ตกใจไม่เห็นว่าในวิหารนั้นปรากฏเป็นพญานาคตัวใหญ่นอนขดอยู่จึงได้ร้องวยวายขึ้นพิสุทั้งหลายที่ได้ยินก็พากันวิ่งเข้าไปแล้วถามพิสุรูปนั้นว่า ท่านน้องเออาอะไรหรือมีอะไรล่ะพิสุกรูปนั้นก็บอกว่าท่านทั้งหลายวิหารนี้ทั้งหลังเต็มไปด้วยลำตัวของงูตัวใหญ่มากขณะนั้นพระนาคนั้นก็ได้ตื่นนอนขึ้นเพราะได้ยินเสียงโวยวายของเราพิสุจึงจำแรงกายกลับมาเป็นมนุษย์และนั่งอยู่บนอศชนะของตนพร้อมกับบอกว่าผมเป็นนาครับพิสุทั้งหลายจึงถามว่าท่านทาเช่นนี้เพื่อประสงค์อะไร นาคจึงได้แจ้งถึงเหตุผลแก่พิสุท์ทั้งหลายเมื่อพิสุท์ทั้งหลายได้ทราบจึงได้นําเรื่องนี้กลาบทูลแดพพพ่พระผู้มีพระภาคต่อมาพระผู้มีพระภาคทรงรับสั่งให้ประชุมหมู่พิสุทสงฆ์ในเหตุนั้นและได้ทรงประทานพระพุทธโอวาทแก่นาคตนนั้นว่าพวกเจ้านาคมีความไม่งอกงามไม่เข้าใจรู้แตกฉานในพระธรรมวินัยนี้เป็นธรรมดาเจ้านาค จงไปรักษาอุโบสถในวันที่14วันที่15และที่8แห่งปักนั่นแหละด้วยวิธีนี้เจ้าจักพ้นจากการกำเนิดนาบและจะกลับไปได้อัตภาพความเป็นมนุษย์ได้ครั้นเมื่อ น, นาคได้ทราบว่าตนมีความไม่งอกงามในพระธรรมก็รู้สึกเสียใจเป็นยิ่งนักและก็ได้แต่หลั่งน้ำตาร้องส่งเสียงดังและก็ลาจากไปจากนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกับพิสุท์ทั้งหลายว่าดูกรพิสุทธิทั้งหลายเหตุแห่งปรากฏคืนสภาพของนาคนั้นมีสองประการคือคืนสภาพได้จากการเสพเมถุนทำกับนางนาคผู้มีเชื้อสายเสมอกันหนึ่งและเวลาที่นอนหลับสนิทไม่รู้สึกตัวอีกหนึ่งดูกรพิสุทธิ์ทั้งหลายอนุ ป, ปัสสำบันคือดีรฉาน สุขไม่พึงให้อุปสมบทหากที่อุปสมบทแล้วต้องให้ศึกเสียและด้วยตำนานเรื่องนี้เองจึงมีผู้แต่งตำนานเสริมว่านาคได้ฝากชื่อไว้ให้เรียกผู้ที่จะบวชก่อนเป็นพระว่านาค ก, ก็คือการบวชนาคนั่นเองและเป็นที่มาของบทกล่าวโต้ตอบในพิธีบวชว่ามนุษยโ์โสสิซึ่งแปลว่าเป็นมนุษย์หรือไม่ก็เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่เข้ามาบวชไม่ใช่พวกอมนุษย์ จำแรงแปลงตัวเข้ามาบวชนั่นเองพญานาคและงูนั้นมีทั้งดีและร้ายประเภทตุร้ายก็ร้ายขนาดแมรือสีหรือนักบวชก็ต้องเกรงกลัวตัวอย่างเช่นอุรุเวลกัสปะยังต้องยอมให้หน้าเข้าไปอยู่ในโรงเพลิงของตนเองหรือบางทีก็ยังยกย่องนับถือบูชากันอีกด้วยเช่นอคิททัตฤษีและเหล่าบริวารก็นับถือพญานาค อหตตะครั้นเมื่อองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเคยเสด็จไปโปรดอคิตทัตตาฤศีก็เคยมีปัญหากับพญานาคเช่นกันทรงต้องให้พระโมคคลนะไปจัดการจนสิ้นพยศและยอมอยู่ในอำนาจทำให้อคิตทัตตาฤศีและบริวารเห็นเป็นอัศจรรย์ที่สิทธิพระตถาคตปราพยานาคผู้มีฤทธิ์ได้จึงยอมรับและน้อมคาร บ, บูชาต่อองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ในประเทศอินเดียตำนานความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคนั้นก็มีมากดังในเรื่องพระพุทธศาสนาจึงมีนาคมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่เสมอเช่นในบทสวดมหาสมัยสูตรมีการออกชื่อนาคหลายพวกเป็นต้นว่าในเมืองเวสาลีมีนาคอยู่ในสระมีชื่อว่านาสะพะตัชากานาคราชกัมพลนาคและอสตระนาค พวกนาคที่อยู่อาศัยในป่าก็มีเช่นปายะคะส่วนนาคสกุลทัตตรถอยู่ในแม่น้ำยำนานาคเหล่านี้พร้อมด้วยเหล่าเทวดาพร้อมจะมาฟังทำพระเทศนากันอย่างเนืองแน่นพระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้บรรดาสาวกได้รู้จักกับบรรดาเทวดายักษ์และนาคทั้งหลายซึ่งก็เพียงให้รู้ว่านั่นเทวดาองค์นั้นเทวดาองค์ น, นี้ยักษ์ นั่นนาบไม่ได้พูดคุยหรือสนิทกันเพราะท่านเหล่านั้นเมื่อได้ฟังพระธรรมรเทศนาจบแล้วก็แยกแยะ ก, กันกลับวิมานของตนและเนื่องจากความไม่คุ้นเคยกันนี่แหละจึงได้มีเรื่องราวเป็นตำนานเกิดขึ้นเรื่องที่ว่าก็คือสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับณนะพระเชตวันมหาวิหารนครสาวัตถีในครั้งนั้นได้มีพระภิษุรูปหนึ่งบรณภาพด้วยถูกพิษงูร้ายกัด ทำให้พระจำนวนมากต่างตกใจกลัวด้วยไม่เคยเกิดเหตุเช่นนี้มาก่อนจึงได้พากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าราบทูลเรื่องให้ทรงทราบเมื่อพระองค์ทรงทราบก็ได้มีรับสั่งว่าดูกอนพิษุกทั้งหลายงูไม่น่าจะกัดพระเพราะตามธรรมดาพระจะอยู่ด้วยเมตตาพระรูปนั้นอาจไม่ได้แผ่เมตตาจิตแก่พญางูทั้งสี่เหล่าเป็นแน่ จึงถูกงูทำร้ายเอาถ้าหากพิสุทั้งหลายได้แผ่เมตตาแก่พญา ง, งูทั้ง4ตระกูลนั้นแล้วก็จะไม่ถูกงูทำร้ายเลยพิสุทั้งหลายเราอนุญาตให้พิสุกแผ่เมตตาจิตแก่พญา ง, งูทั้งสี่เพื่อคุ้มครองตนเพื่อรักษาตัวเพื่อป้องกันตัวต่อไปเมื่อได้รับสั่งดังนี้แล้วได ต, ตรัสขันธปริตะคาถามนป้องกันตัวประธานให้ โดยผมจะยกตัวอย่างอย่างย่อยๆดังนี้วิรูปักเคหิเมเมตังเมตังเอราปะเถหิัพยาปุตเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจะอันมีคําแปลว่าความเป็นมิตรของเราจงมีกับพญานาคสกุลวิรูปักตระกูลสีทองความเป็นมิตรของเราจงมีกับพญานาค สกุลเอราบดตระกูลสีเขียวความเป็นมิตรของเราจงมีกับพญานาคชัพยาบุตรตระกูลสีรุง้งความเป็นมิตรของเราจงมีกับพญานาคกันหาโคตมกะตระกูลสีดำนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ได้ถือเอาขันทัปปริตตะคถ า, าเป็นมนต์ภาวนาให้พ้นจากการทำร้ายของงูตลอดจนดผู้ผีปีศาจทั้งหลาย ตั้งคำแปลท้ายบทสวดฉบับเต็มว่าเทพ ย, ยดาและนาคทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากซึ่งสถิตยอยู่บนอากาศก็ดีสถิตยอยู่ในภาคพื้นก็ดีเทพ ย, ยดาและนาคเหล่านั้นจะตามรักษาอย่างท่านทั้งหลายด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคด้วยความสุขพยาวิรูปักนาคราชในบทสวดนั้นเป็นที่รู้จักกันในคำพีพระพุทธศาสนา ว่าเป็นโลกบาลประจำทิศตะวันตกนอกจากที่กล่าวมาแล้วในบทสวดมนต์ยังมีพญานาคอันทภานอยู่อีกตนหนึ่งมีนามว่าพญานันโทโภคบรันทัตนาคราชตามเรื่องว่าครั้งหนึ่งท่านอนาตบินทิกเศรษฐีได้ถวายอภิวาตศรัทนาสมเด็จพระพุทธเจ้าสเสด็จไปฉันอาหารที่ตนบินทบาดพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกทั้ง500รรูป ณนิเวศของตนครั้นเมื่อถึงเวลากําหนดเวลานัดสมเด็จองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงพาอริยสาวกเหาะไปทางอากาศโดยเหาะผ่านไปเหนือที่อยู่ของพญานันโทปนันทะนาคราชเมื่อพญานันโทปนันทะนาคราชเห็นเช่นนั้นก็ให้รู้สึกโกรธไม่พอใจที่มาเหาะข้ามหัวของตนจึงสําแดงฤทธิ์เหาะขึ้นสู่ท้องฟ้าในรมิตกายให้ใหญ่ยาวเอากหนดหางพันเขาสมเมรุไว้เจ็ดรอบ และแผ่พังผ่านบังดาวดึงไว้บันดาลให้เกิดหมอกควันมืดมัวไปทั่วท้องฟ้าพระรัฐบาลซึ่งร่วมทางไปด้วยเห็นอากาศแปรปวนไปเช่นนั้นก็ให้รู้สึกแปลกใจจึงทูลถามพระพุทธเจ้าว่าแต่ก่อนเคยเสด็จตามมาก็ได้เห็นยอดเขาพะสมรุงามไปแล้วด้วยแก้วจ็ดประการแต่เหตุฉะไหนวันนี้จึงมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าจึงรับสั่งว่า ที่เป็นเช่นนี้เพราะพญานันโทปนันทา น, นาคราชดูมิ่นตถาคตและพระภิกษุทั้งหลายแกล้งทำให้ฟ้ามืดมัวเพื่ออวดอ้างฤทธิอำนาจพระรัฐบาลเมื่อทราบดังนั้นจึงพนมมือขอประธานโอกาสรับอาสาปราบพญา น, นาคราชแต่พระพุทธเจ้าไม่ส่งอนุญาตแม้พระเทระอื่นๆก็เช่นกันครั้นพระโมกขลนะเทระเจ้าเข้ามาทูลอาสาพระพุทธเจ้าก็ส่งอนุญาต ทรงตัดว่าเรื่องนี้เหมาะกับโมคคลนะด้วยมีฤทธิ์พอที่จะปราบกันได้ตัดแล้วก็พาพิสุกทั้งหลายขึ้นไปดูเหตุการณ์บนยอดภูเขาพระโมคคลนะเมื่อได้รับพุทธานุญาตแล้วจึงเนรมิตกายเป็นพญานาคตัวใหญ่ยาวกว่าพญานันโทปนันทนาคราชหนึ่งเท่าตัวโอบรัดพญานันโทปนันทนาคราชเข้ากับภูเขาสุมเมรุจนไม่อาจขยับตัวได้ พญานันโทเป น, นันทา น, นากราชหมดหนทางดินให้หลุดก็พ่นไฟเข้าใส่แต่พระเถระเจ้ากลับเพิ่มขนาดลําตัวขึ้นอีกหนึ่งเท่าไฟก็ไม่อาจทําอันตรายได้ซ้าร้ายกลับย้อนเข้าตัวพญานันโทให้ได้รับความร้อนจนสุดจะทนทานแม้จะคิดเปลี่ยนวิธีอย่างอื่นก็ถูกแก้กลับได้หมดสิ้นยิ่งได้รับความทุกขเวทนายิ่งขึ้นสุดท้ายก็จําแลงกายเป็นกุมารเข้าไปกราบยอมตนเป็นสิทธ ไม่คิดต่อสู้อีกต่อไปเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาโปรดพญานันโทปนันทา น, นาคราชแล้วพญานาค ก, ก็ละพยศรับนับถือพระพุทธศาสนาต่อไปทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวตำนานเกี่ยวกับพญานาคในพุทธประวัติเท่าที่มีข้อมูลตอนนี้นํามาเล่าให้ฟังครับหากมีข้อมูลอะไรใหม่ๆที่ผมพอจะหาได้ก็จะนํามาเล่าเพิ่มเติมให้ฟังกันต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ